ครานใหญ่อมยิม้มผมเองก็ถูกกขาเต็มรักกลางแผ่นหลังไม่เข้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะหนังดีอะไรหรอกคมหอกมันกระทบหม้อสนามที่อยู่ในเป้หลังซะก่อนน่ะอยวไปเชื่อบุญคํานักนะครับตาเท่านั่นขี้โม่พอๆกระเจ้าขยินนั่นแหละนี่แต่ผมว่าแกไม่โกหกนะพว่าแกถลกเสื้อให้ดูรอยเขียวยังเป็นจ้ำอยู่เลยชายันพูดอย่างตื่นเต้นศรัท ธ, ธาเต็มที่กระพินแทบจะหัวเราะออกมาดังๆ รอยเขียวที่แกถะะลกอวดให้ดูนั่นน่ะคงจะล้มไปถูกตอไม้หรือแง่หินก็กำมังครับคุณชายันลืมไปแล้วหรือครับคราวที่ไอแหวงอาราวาตเอากระเราครั้งแรกนะ่ะเย็ยบลูกหาบของเราตายไปนคนหนึ่งแล้วขับบุญคําหนีเข้าไปติดอยู่ในกอไผ่น้ําไผ่มันฉีกเนื้อแกชฉเวอะหวะจนต้องกลับไปคุณหญิงเย็บหลายเข็มทนหนังกันเหนียวจริงอย่างที่คุยก็คงไม่ถูกน้ําไผ่แหวะเอาไส้แทะทะลักหรอกรครับเ อ, อ้ยยิ่งสินะ ชัยันครางออกมาแล้วก็หัวเราะแกก็คงโม้มั่งจริงมั่งของแกไปตามเรื่องแต่แกก็ไม่มีอะไรให้เลื่อมใสแต่แกก็มีอะไรให้เลื่อมใสอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะเกี่ยวกับพวกเวทมนต์คาถาอาคมแล้วก็ยาสมุนไพรของแกลูกน้องของคุณสี่คนตาบุญคํานี่ดูท่าจะเฮี้ยนมากกว่าคนอื่นมิแกอยู่ด้วยก็อุ่นใจพอๆกับที่คุณอยู่ด้วยเหมือนกันความจริงนะบุญคําจะตามมาด้วยแล้วนะแต่ผมสั่งห้ามไว้เองะ พระเชษฐาอยู่กับเมเพียงสองคนซ้ํายังไม่สมประกอบทั้งคู่ก็เป็นการถูกต้องแล้วล่ะครับที่ให้บุญคําอยู่เป็นเพื่อนคุณชายกัเมในระหว่างที่อีกสามคนข้ามฝากมาฝั่งนี้และคุณชยันก็มาได้ทันเวลาดีเหลือเกินเพราะถ้าช้าไปกว่านี้อีกสักชั่วโมงเดียวผมกับคุณหญิงตายแน่ครับเพราะพวกมันจะต้องเข้าโจมตีที่นี่อีกครั้งระหว่างนั่งสนทนา ชยาลุกขึ้นเดินตรวจดูชยภูมิบริเวณนั้นอย่างถีถ่ถ้วนดารินกรพินเดินตามมาด้วยโชคดีเหลือเกินนะคุณก็น้อยรอดตายก็เพราะหน้าผาตรงนี้แท้ๆผู้มิประเทศมันอํานวยอย่างที่สุดสําหรับการตั้งรับเพราะพวกมันไม่สามารถคือกันเข้ามาในเวลาเดียวได้มากๆนอกจากทยอยขึ้นมาเป็นเป้าลูกปืนทีละคนก่อนจะปีนขึ้นมานี่ก็เห็นศพของพวกมันกลิ้งอยู่ตีนผาสองสามศพ ก็จะถูกยิงร่วงลงไปฝีมือคุณหญิงทั้งนั้นล่ะครับผมมาสางไข้รู้สึกตัวได้สติขึ้นก็ต่อเมื่อคุณหญิงยิงมันกลิ้งไปหมดแล้วไม่ตำกว่ายี่สิบศพช้ยันยกมือขึ้นลูบคางกวาดมองไปยังศพสังเขียวที่กลิ้งเกลื่อนปากถ้ำเหล่านั้นพูนพัออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองไม่น่าเชื่อนะว่าน้อยจะประจันหน้ากับมันคนเดียวได้แบบนี้ ในขณะที่ระพินสลบสไหลยอยู่มันก็แปลกดีเหมือนกันหลายครั้งมาแล้วเมื่อถึงคราวจำเป็นขีดสุดน้อยมักจะทำอะไรได้ในแบบปฏิหารเสมอพระยินอยู่ข้างเธอแท้ๆสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนฉันก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันหญิงสาวตอบกลืนน้ำลายลงคออย่างฝึกๆมันเป็นการต่อสู้แบบยนตรอครั้งสุดท้ายเพื่อเอาชีวิตรอดนะ่ะ ฉันจำเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้ชแล้วสิว่าทำอะไรลงไปบ้างเพราะดีนะที่มีปืนลูกซองอยู่สองกระบอกถ้าเป็นไรเฟิลน่คงยิงสกัดไม่ทันแน่เพราะหมาในที่มันปล่อยมาไล่เราทั้งฝูงนั่นแท้ๆถึงได้ตะเกียกตะกายหนีขึ้นมาได้ที่มั่นบนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะหนีหมาเราก็คงจะปักหลักอยู่ริมขอบขอ บ, ขอบเหวนั่นแหละแล้วพอตกกลางคืนมันก็คงบุกเข้าถึงตัวถูกฆ่าตายไปแล้ว แล้วปีนกันขึ้นมาบนนี้ได้อีกท่าไหนเนี่ยฉันตรวจดูแล้วมองไม่เห็นทางเลยล้ำพังมือเปล่าจะไต่ขึ้นมาได้ยังไงมันชันตั้งเก้าสิบองศาหน้าตาัดเรียบไม่มีชะงอนต้นไม้ที่งอกอยู่บ้างก็งอกอยู่ห่างห่างสูงเกินเอื้อมไปตั้งแยะแต่ตอนนั้นก็ฉุกเฉินเต็มที่ไม่ใช่เหรอไหนว่าฝูงหมาในไล่หลังติดติดมาแล้วมันก็คําลงทุกขณะชา ย, ยันถามด้วยความสงสัยหันไปจ้องหน้าทั้งสอง ก็ต่อคอกันขึ้นมานสิฉันก็เหยียบไหล่ระพินจนจับต้นไม้เล็กๆต้นแรกไว้แล้วก็โรยเชือกลงไปให้เราขึ้นมาถึงบนนี้ไอ้ฝูงหมาในนรกนั่นมันก็ตามมาถึงตีนผาข้างล่างพอดีบุดวิตกันนิดเดียวเท่านั้นแหละหญิงสาวไม่ได้เล่าให้ชัยยันฟังถึงการปรากฏตัวขึ้นช่วยนำทางของหญิงตองเหลืองผู้ลึกลับตลอดจนการมาปรากฏกายของนางเทียในยามดึกสงัด ก่อนหน้าลูจะนำพวกของมันบุกเงียบซึ่งหล่อนเชื่อว่าทั้งหมดเป็นปรากฏ ก, การณ์ของวิญญาณเพราะไม่ต้องการจะให้เกิดปัญหาโต้เถียงใดๆจากชัยยันขึ้นรละพินเองก็ไม่ได้เอ่ยพาดพิงไปถึงเช่นกันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทั้งห้าคนก็ไต่หน้าผาบริเวณนั้นลงมาและออกเดินทางบ่ายหน้าไปยังตาแหน่งที่ต่อสะพานลิงใช้ข้ามฟากถึงแม้จะได้รับรายงานจากชา ย, ยันว่า สางเขียวพี่นาตลงหมดสิ้นทั้งชมรมของมันแล้วระพินก็เตือนทุกคนไม่ให้ประมาทปึนทุกระบอกบรรจุลูกเต็มอัตราและถือพร้อมอยู่ในมือพะเฉียดแนวทางของเถวตรงตำแหน่งปลายสะพานที่ถูกยิงธนูเพลิงตัดขาดเมื่อค่าวานนี้ทั้งเขาและดารินก็สังเกตเห็นควันไฟลอยตลบขึ้นมาจากยอดป่าต่อหนึ่งอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสางเขียว กลิ่นซากศพที่ถูกไฟเผาโชยตามลมมาสัมผัสคานประสาทเป็นระยะระยะสุดสิ้นลงทีสำหรับชนเผาดุร้ายกระหายเลือดซึ่งบูชาเทวรูปอินคามันคงไม่มีโอกาสที่จะติดตามราวีคณะเดินทางได้อีกแล้วระพินทาหน้าที่ตัดทางเช่นเคยเลาะเรียบไประหว่างชายขอบเหว โดยไม่ประสงค์ที่จะผ่านเข้าไปใกล้เคียงกับชมรมของมันอีกป่านี้มันคงจะกลายเป็นกองขี้เท่าไปหมดแล้วไอร้อนที่โชยกล่นมาเป็นระยะผสมกับกลิ่นควันซึ่งหนานแน่นขึ้นทุกขณะทําให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นในละแวกนั้นด้วยซึ่งมันลุกลามติดตอกินแดนไปไกลสุดแล้วแต่สภาพของป่าเมซ่าบแล้วหรือยังครับว่าฮอปมันน่ะตายแล้ว ระหว่างที่เดินเคียงคู่มาด้วยกันจอมพลานกระซิบถามชา ย, ยันเบาๆสีหน้าของเขาเต็มไปได้วยความอึดอัดกังวลใจแล้วยังไม่ทันจะบอกหล่อนก็ถ่ายถูกซะก่อนละชา ย, ยันตอบเสียงเคร่งขรึมถอนใจยาวหล่อนบอกว่าขณะที่ถูกพวกมันฉุดกระชากตัวไปนั้นหล่อนเห็นน็อตมั่นถูกแทงด้วยหอกอย่างถนัดทนันใดแล้วหล่อนก็หมดสติไปรู้สึกคล้ายๆถูกทุบที่ศีรษะ ก่อนจะหมดความรู้สึกมาฟื้นขึ้นก็พบตัวเองถูกมัดติดกระแท่นหน้าเทวรูปอินคาก่อนหน้าที่พวกเราจะเข้าแย่งตัวเล็กน้อยเท่านั้นเองลักษณะท่าทีของหล่อนเป็นยังไงบ้างครับหลังจากรู้ว่าสามีหาชีวิตไม่แล้วก็เห็นหนิ่งซึมไม่พูดอะไรอีกทั้งสิ้นนี่บนอยู่คำานึงว่าเป็นห่วงน้อยกับคุณแล้วก็จับข่ดูๆก็น่าสงสารใหญกลางป่าลึกผัวคู่ทุกคู่ยาก ที่ร่วมผจญมาด้วยกันก็ตายจากไปซะแล้วเหลือตัวคนเดียวกับเจ้าคนใช้ขี้เถื่อชาตองสูนั่นและพินไัรวันไม่เอ่ยคำใดต่อไปอีกเขารู้สึกถึงเงาแห่งความยุ่งยากที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เชษฐาสั่งเปลี่ยนเส้นทางให้ตรงไปพบสองสามีพันยาคู่นี้แล้วมันน่าจะเรียกว่าอุบัติเหตุก็ได้ไม่มีปัญหา เดี๋ยวนี้มารีอาฮอฟมั่นตกเป็นภาระของคณะเดินทางนี้เสร็จแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขารู้ซึ้งถึงจิตใจของคณะนายจ้างทั้งสามเป็นอย่างดีไม่มีวันฉะลับที่คนเหล่านี้จะปล่อยให้หญิงไม้ไปตามยถากรรมกำลังกำลังว้าเหวเปล่าเปลี่ยวกำลังตกอยู่ในภาวะอับจนขีดสุดปราศจากที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวใดใดทั้งสิ้นนอกจากเจ้าพรานนาทางชาวตองสู่ ซึ่งถึงแม้มันจะซื่อสัตย์พักดีอย่างไรก็หาหลักประกันอันควรแกการไว้วางใจอย่างไรได้ทั้งสิ้นไม่ตัวเขาเองเล่าจะใจไม้ไสรตกรรมไม่เหลียวแลหล่อนเลยในภาวะเช่นนี้ได้หรอมารีอาฮอฟมันกลายเป็นบุคคลที่น่าสงสารไปซะแล้วจริงอยู่เมื่อดอกเตอร์ฮอฟมันสามีของหล่อนยังมีชีวิตเขาสารภาพว่ามีความรังเกียจแหม่มสาวเลือดแรงคนนี้เป็นอย่างยิ่ง หลนมักจะก่อเรื่องยุ่งทําความลําบากใจให้แก่เขาอย่างเหลือประมาณตั้งแต่ครั้งเคยเดินป่าด้วยกันคราวก่อนแล้วและเจอกันอีกคราวนี้เขาก็ภาวนาอยากจะให้เดินทางแพร่แยกจากกันซะโดยเร็วเพื่อตัดปัญหาทั้งหมดแต่แล้วฮอปมันก็มาเสียชีวิตทิ้งพญญาสาวไว้กลางป่าดงพงพีเช่นนี้ตามลําพังกับพระนําทางซึ่งไม่ประสีประสานะักเขาจะทอดทิ้งได้อย่างไร มีหนำซ้ำผู้ตายยังฝากฝังสั่งเสียไว้กับเขาอีกด้วยคณะเดินทางจากจำนวนสิบคนก็จะเพิ่มมาอีกสองคนและในจำนวนสองคนนั้นก็เป็นผู้หญิงผู้มีอารมณ์ประดุดไฟป่าสักคนหนึ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างถ้าไม่ใช่ความยุ่งเหยิองอุลละมานลํำพังหม่อมราชวงศ์ดารินอันเป็นน้องสาวเจ้าอารมณ์ของนายจ้างเพียงคนเดียวเขาก็แบกภาระทางใจไว้พอแรงละ มาเรียเพิ่มเข้ามาแทรกอีกคนรูปการมันจะเป็นอย่างไรยิ่งคิดก็ยิ่งอึดอัดลำบากใจหรือที่จะกลับชัยันจะคิดอย่างเขาหรือเปล่าไม่ทราบแต่เห็นบนพื้มโปลงเวทนามาเรียไปตลอดทางกินเวลาเพียงชั่วโมงเศจเศษทั้งหมดก็มาถึงที่หมายเชือกสองเส้นขึงล่างบนแบบสะพานลิง ที่ชัยยันขยินและแง่ทรายทำข้ามมาเมื่อคืนยังคงค้างรออยู่ในลักษณะเดิมเช่นนั้นฝั่งตรงข้ามเชิดฐาบุญคำและมาเรียเฝ้ารอคอยอยู่ก่อนแล้วทั้งสามเต็มไปได้วยความปิติยินดีเหลือที่จะกล่าวเมื่อเห็นทุกคนกลับกันมาครบไม่มีใครขาดไปส่งเสียงทักทายลั่นมาคู่ใหญ่ต่อมาทั้งห้าคนก็ข้ามเหวกลับไปรวมฝั่งกับพักพวกโดยสวัสดีภาพ และทันทีที่ดารินข้ามฝากมาถึงมาเรียก็โผเข้าอดไว้แน่นน้ำตาซึม น, น้อยพวกเราทั้งนี้ทุกคนภาวนาขอพระเจ้าจงคุ้มครองเธอกับพรานใหญ่แล้วแรงภาวนาก็เป็นผลฉันกับพรานใหญ่กลับมาแล้วทั้งๆ ท, ที่เราคิดว่าเราไม่รอดเหมือนกันได้ข่าวว่าเธอไม่สบายใช่ไหมเมฉันหายเรียบร้อยดีแล้วล่ะพี่ชายของเธอและทุกคนกรุณาต่อฉันมาก ฉันเป็นหนี้ชีวิตของทุกๆคนไม่ควรเลยที่หลายๆคนต้องมาพลอยลำบากเพราะฉันมาเรียพูดเจ้าสาช่วยเอามือดารินไปกุมไว้แน่นราชสกุลสาวยิ้มให้อย่าปลูกปลอบใจบีบมือตอบแหม่มเลือดผสมหนักหน่วงอย่าคิดอะไรมากไปเลยเมเดี๋ยวนี้เธอก็ปลอดภัยแล้วนี่เป็นสิ่งที่เรายินดีที่สุดพวกเราทุกคนไม่มีใครทอดทิ้งเธอได้หรอกถ้ายังพอมีโอกาสอยู่บ้าง เราก็ต้องช่วยเธอจนถึงที่สุดละ่ะเชษฐาก็กลากเข้าหารพินกับชยันแล้วก็รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับทุกฝ่ายโดยตลอดพร้อมทั้งศีรษะของซูซูและลูซึ่งขยิงหิ้วมาให้ดูราพนาศูนย์ไปหมดแล้วสมตามประกาศสิทธิ์ของท่านแม่ทัพละชัยันบอกสรุปแก่สหายของเขาในตอนท้ายของการเล่าเอาละ่ะเห็นจะโล่งอกไปได้เสียที เกียวกระสังเขียวหัวหน้าคณะกล่าวด้วยสีหน้าแช่มชื่นขึ้นแล้วหันไปทางน้องสาวกับจอมพรานถามยิ้มยิมว่าเป็นห่วงจะแยกอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะน้อยระพินพ่านใหญ่เพียงหัวเราะเบาๆน้องสาวตอบแทนมาให้ว่าก็เกือบไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกแล้วนั่นแหะคะ่ะให้ใชายันไปถึงช้ากว่านั้นเพียงนิดเดียวเท่านั้นมันอิหลักอิเหลือทุลักทุกเลเหลือเกิน เชษฐาหันไปกล่าวการพินพร้อมกับโครงตูดผมขาแพลงเม้ก็ไม่สบายเลยต้องแบ่งพวกกันไปผมเกิดตัดสินใจอะไรไม่ถูกชนะเมื่อคืนเนี่ยดีแต่ได้บุญคำเป็นคู่คิดแล้วก็เคราะดีที่แง้ายกับขยินเดินเวลากลางคืนได้บุญคำนั้นพอได้ทราบว่าพรานใหญ่เกิดอาการจับสันโรคเก่าขึ้นในนาทีวิกฤตที่สุดแต่ก็ตบอกผาง ผีสางเทวดาช่วยนายไว้แท้เทียวที่นายหญิงติดอยู่ด้วยไม่งั้นน่ะนายเสร็จไว้แล้วบุญคำกับนายใหญ่ไม่ได้นอนกันเลยตลอดคืนช่ไนะตอนตีสามน่ะได้ยินเสียงปืนติดติดกันหลายนัดก็รัวอย่างอยู่แต่พอเสียงปืนเงียบหายก็ถ่ายกันไม่ถูกอีกถ้ารู้เชตะแรกว่านายจะจับไข้ขึ้นให้บุญคำเป็นคนรังท้ายซจะดีกว่าอ๋อนี่ถ้าบุญคแต่อยู่ฝั่งโน้นคนเดียว บุญคำก็เหลือแต่กระดูกไปแล้วละ่ะหรือแน่ใจว่าหนังเหนียวพอหอกดาบสังเขียวทำอะไรไม่ได้นายคุยนักว่าแทงไม่เข้านั้นเออดารินร้องถามมาพร้อมกับหัวเราะบุญคำหัวเราะแฮ่ยยกมือลูกหัวอันมีเส้นผมหยิกย้อยติดหนังหัวของแกแทงไม่ถูกก็ไม่เข้าละนายหญิงหอกดาบหรือปืนบุญคำไม่กลัวหรอกแต่บุญคำกลัวเข็มฉีดยาของนายหญิงอะ่ะ เสียดายบุญคำไม่ได้ไปช่วยนายหญิงด้วยต้องอยู่โยงเฝ้านายใหญ่ทั้งนี้โอ๊ยเป็นห่วงนายหญิงจนบอกไม่ถูกเชีละขอบใจมากนะนี่เป็นห่วงแต่ชั้นหรอกเหรอก็ลแล้เจ้านายของบุญคำเองล่ะไม่ห่วงเลยหรือไงป้าพรานเท่าเจ้าเล่ห์อปาปากวัวเราะเงือกแดงอยู่เช่นนั้นจำเลืองไปทางเจ้านายของตนบอกอ่อยออยก็ห่วงเหมือนกันแหละแต่น้อยหน่อย ถึงยังไงลํำพังพรานใหญ่ก็เอาตัวรอดได้ดารินหันไปมองรบผินด้วยดวงตาสุขใสเป็นประกายตอบบุญคำว่าก็ตะขาเอาตัวรอดได้เขาก็ต้องเอาตัวชั้นให้พลอยรอดไว้ได้เหมือนกันละ่ะยอมพรานสบตาคู่นั้นแวบหนึ่งแล้วมื่นหลบหันไปทางเชิฐท้ามองไปที่ขาของราชสกุลหนุม่มขาเป็นยังไงบ้างครับ เส้นมันแผลงไม่เป็นไรามากหรอกนี่ก็พอจะขยเยกไปได้แล้วพักสักวันสองวันก็คงเป็นปกติเส้นขาข้างนี้นะ่ะมันเสียไปแล้วตามปกติก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าไปกระทบเข่าก็พานแผลงเอาง่ายๆบุคคลเดียวที่รบพินยังไม่ได้พูดคำใดด้วยเลยคือมาเรียฮอฟมันผู้สึ่งบัตรนั่นงนิ่งซึมอยู่ที่ขอนไม้ตาเลื่อนลอยอย่างปราศจากจุดหมาย ร่างกายของหลอนคงมีแต่เพียงเสื้อแจ็กเก็ตฟีนสูมอยู่ตัวเดียวเท่านั้นมันสั้นเหนือเข่าขึ้นมาจนมองเห็นท่อนขาวอวบสีชมพูอย่างล่อแหลมดวงตาสีเขียวที่เคยวาววามอยู่เป็นนิดบัดนี้หมองเศร้าเต็มไปได้วยความวิปรโยครันทดว้าเวเพราะว่ามันก็ถูกซ่อนอยู่ภายในอย่างมิชิดในความรู้สึกของเขามาริอาฮอปมั่นเป็นผู้หญิงที่ใจแข็งไม่ใช่น้อย แต่ถึงเช่นนั้นก็ตามเหตุการณ์มันก็บีบคั้นทรมานความรู้สึกของหล่อนจนสุดจะทนทานได้ทุกคนย่อมเข้าใจดีต่างเบนสายตาไปจับอยู่ที่มาเรียอย่างสลดสังเวชพากันนิ่งงันไปชั่วขณะแล้วพิงก้าวตรงไปหยุดหยุดตรงหน้าพญาสาวของนักสำรวจผู้วายชนเขายอมรับว่าเดี๋ยวนี้เขาสงสารหล่อนเป็นที่สุดมิซิสอแมนยอมพรานพูดแผ่วเบา อ่อนโยนคุณเป็นยังไงบ้างล่ะดวงตาสีเขียวโรยเศร้าคู่นั้นเหลือบขึ้นสบตาริมฝีปากอันแห้งผากปรากฏรอยยิ้มซีดเซียวปกติเรียบร้อยดีค่ะขอบคุณพรานใหญ่และทุกคนที่เสี่ยงอันตรายมาช่วยเหลือฉันจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกันทุกคนไม่ควรเลยนะคะที่จะต้องมาลำบากกับฉันถึงเพียงนี้เสียงของหล่อนแหบเครือ น้ำตาคลอรับผินถอนใจเบาๆยิ้มให้เราช่วยกันด้วยน้ำใจช่วยกันจนสุดความสามารถนี่คือมติยึดมั่นของพวกเราทุกคนผมรู้สึกเสียใจเหลือเกินในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดรฮอฟมันมันถึงคราวเคราะห์ของเขาจริงๆคุณและทุกคนทําดีที่สุดแล้วล่ะค่ะมันเป็นความผิดของฉันและสเตเกนเองที่ไม่เชื่อคุณซแต่แรก คุณควรจะสนน้ำหน้าเรามากกว่าจอมพรานสันศีษะชะ้าๆมองดูมาเรียอย่างเห็นใจผมเข้าใจดีครับว่าคุณมีความรู้สึกเช่นไรเราจะพูดถึงสิ่งนั้นอีกเลยคิดจะว่าเป็นคราวเคราะห์ก็แล้วกันพวกเราทุกคนยินดีที่ช่วยคุณปลอดภัยออกมาได้ครับมาเรียกว่าตามองไปยังทุกคนที่แวดล้อมรอบกายหลอนอยู่กล่าออกมาจากความรู้สึกส่วนลึก ทุกคนเป็นสุภาพบุรุษที่มีจิตใจสูงแต่หมอดารินเองถึงจะเป็นผู้หญิงอผู้นี้ก็ไม่ได้ยิ่งยอนไปกว่าท่านสุภาพบุรุษผู้งามน้ำใจทั้งหลายฉันไม่มีอะไรที่จะกล่าวได้อีกนอกจากสำนึกในบุญคุณวิญญาณของสเตเกนก็คงคิดเช่นเดียวกับฉันในขณะนี้ชยันก้าวเข้าไปใกล้จับมือของหล่อนเข้ามาบีบไว้แน่นทาใจเข้มแข็งไว้เม ทุกคนเป็นมิตรของคุณทั้งนั้นคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางความโดดเดี่ยวแต่คุณมีเพื่อนเพื่อนผู้ซึ่งผูกชีวิตเข้าด้วยกันไว้ประหนึ่งสายโซ่และคุณก็เข้ามาเป็นเปลาะหนึ่งของสายโซ่นั้นแล้วด้วยชยันคุณกรุณาต่อชั้นเหลือเกินมาริยพูดเหมือนกระซิบอดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะปลอบใจหยิบไรเฟิลขึ้นเดาะในมือทั้งสองแล้วยื่นส่งให้หลอน จำปืนกระบอกนี้ได้ไหมเมฆจาได้สิมันเป็นปืนของฉันเองไง น, นี่แหละที่ผมเอามันมาด้วยและใช้งานมันในการช่วยชีวิตคุณผลานชีวิตสางเขียวแทนให้แก่เจ้าของแทบนับศพไม่ถว้วดแม่สาวเลือดผสมยิ้มเศร้าๆใบหน้าอันร่วงโรยซีดเซียวแช่มชื้นขึ้นเล็กน้อยร้อนพอใจในความรื่นเริงและมีอารมณ์สนุกสนาน ขันของชายยันมาก่อนแล้วนับแต่รู้จักครั้งแรกพรานตองสูของฉันสางปาทำไมเขาถึงไม่ได้มาด้วยล่ะเกิดอะไรกับเขาหรือเปล่า๋อสางปาถูกยิงด้วยธนูอาบยางนองในขณะที่ต่อสู้หลังจากที่พวกมันลักพาตัวคุณมาแล้วเชิดถาเป็นคนตอบด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นปราณี แต่พวกเราก็จัดการดูแลจนเขาปลอดภัยแล้วแหะขณะนี้พักอยู่ในแคมป์พร้อมกับคนของเราอีกสามคนเขาพยายามที่จะติดตามคุณขณะที่สางเขียวเข้าโจมตีแต่ถูกยิงซะก่อนแล้วแล้วศพของสเตเกอร์ลันฐานอย่างใจลอยเหมือนจะพึงพามกับตนเองเราฝังเขาไว้ที่บริเวณใกล้แคมป์ก่อนที่จะออกติดตามคุณเราไม่อาจรอช้าได้เราจะออกเดินทางกลับกันเดี๋ยวนี้ คุณพอจะไปไหวไหมมาเรียมองดูรา ช, ชกสกุลหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าคณะอย่างทราบซึ่งเมื่อคืนนี้ตลอดทั้งคืนเชษฐาเป็นคนดูแลหล่อนอย่างใกล้ชิดมันทำให้หล่อนหวนคิดไปถึงบิดาผู้ห่างไกลไหวคะ่ะคุณต่างหากล่ะที่ขาไม่สมประกอบนะักไม่เป็นไรผมพอขยกไปได้เราไปกันอย่างช้าๆก็ได้ไม่มีอะไรต้องรีบร้อนแล้วกะว่าจะไปถึงแคมป์ของเรา ในค่ำวันนี้เนลาเชฐาก็สั่งให้เตรียมออกเดินทางในทันทีนั้นเขาห้ยยินปัดไม้เสียบศรีรษะของสูซสูและลูปักไว้ยังขอบหวบริเวณนั้นเพื่อพวกมันเห็นการเห็นเป็นการข่มขวัญไม่ให้คิดบังอาจไปตามราวีอีกทั้งหมดพระจากยอดเขาอันเป็นถิ่นของสางเขียวถึงความพินาแหลกเหลวของอนารยชนเผากินคนไว้เบื้องหลัง บายหน้าลงสู่ป่าล่างอันเป็นที่ตั้งแคมป์ต่างเดินกันไปอย่างเงียบสงบในสมองของทุกคนอดไม่ได้ที่จะครุ้นคิดถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจิตใจหนักอึ้งเต็ไมไปด้วยความสลดหดหู่เมื่อไม่เกิน36ชั่วโมงที่แล้วมานี่เองมันได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายชนิดเกินกว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะคาดฝันไปได้สเตเกนฮอมันเสียชีวิต สัางปลาและอีกหลายต่อหลายคนบาเดเจ็บก็ตายอย่างหน้าอ น, นาตรพินภัยวันเองก็เกือบหาชื่อมิได้อีกต่อไปแล้วความพินาศย่อยยับราวกำมดปลวกของมนุษย์นอกสำรวจเผ่าสางเขียวสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้ทุกคนอดไม่ได้ว่ามันเป็นความจริงหรือความฝัน การเดินทางเป็นไปอย่างปกติไม่เร่งรีบอะไรนะักเพราะเชตฐาภู้ขากระเพกและมาเรียรซึ่งยังอิจโรยบอบชำ้ำครานใหญ่สละรองเท้าของเขาให้แก่แม่มสาวผู้เคราะรารซึ่งไม่มีสมบัติอะไรติดตัวอยู่แม้แต่อย่างเดียวนอกจากเสื้อแจ็คเก็ตฟิลที่ได้รับจากชัยยันถ้าคุณไม่มีรองเทา้าคุณจะไปได้อีกไม่เกินสองสามร้อยเมตรนี่เท่านั้นเขาพูดมาด้วยเสียงบังคับเมื่อเห็นหลอนสายหน้าปฏิเสธ เ้าเปล่าปืยทั้งสองของหลอนเลือดโซมด้วยน้ำและก้อนหินแต่ไม่ปรากฏเสียงปรีปากอุทธรใดๆแม้แต่คำเดียวนอกจากการเซธลาล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลาโดยมีชั ย, ยันคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยหิ้วประคองมาเรียใจยอำไมหิตเกินกว่าที่เขาจะคิดสมกับที่ใช้ชีวิตสมบุกสมบันอยู่ในป่ามาตลอดดูจะทอรหดบ้าบินยิ่งกว่าดารินซะอีกความยากแทน้นลาเคน มันบอกออกมาจากแววตาเท่านั้นไม่ได้สัญเดงออกโดยวาจาหรืออาการเลยแล้คุณล่ะคุณก็ต้องเดินเท้าเปล่าเหมือนกันแต่เท้าเปล่านะ่ะผมเดินได้แต่คุณน่ะไม่เคยมาก่อนย่อมไม่ได้แน่ไม่เป็นสิ่งเหลือบากว่างอะไรสาหรับผมหรอกในการที่จะสละรองเท้าให้แก่คุณมันเป็นวิธีการที่ดีกว่าที่จะต้องหาคุณไปนะทาพูดประโยคหลังทาให้ลอนหมด อาการลังเลที่จะใช้รองเท้าของเขาและตลอดระยะทางอันบุกป่าฝ่าดงกรำกันไปหลอนไม่ได้พูดคำใดกับใครอีกทั้งสิ่งลักษณะของหลอนเป็นหญิงใจเพชรแท้ในการรอบสังเกตของระพีไม่นังขังคอกระร่างกายอันมีเสื้อสนามคลุมอยู่เพียงครึ่งเดียวบางขณะกิ่งไม้มันจะเกี่ยวกระชากให้ใช้เสื้อทะโลกสูงขึ้นมาหรือบางขณะดุมที่กลัดอยู่เบื้องหน้า มันจะขาดเปิดเผยออกเห็นลำตัวอันเปล่าเปลือยชเวกชวว่เช่นไรหล่อนก็เดินไปเหมือนตุ๊ ก, กตาไขาลานถอดอะไรตายยากทุกสิ่งทุกอย่างด้ารินเองก็เกือบจะมีสภาพใกล้เคียงกันเสื้อและกางเกงเดินตาของหล่อนขาดกระรุ่งกระริ่งรอบตัวเรากับใครเอามีดกรีดอันเป็นผลมาจากการสมซานหนีฝูงหมาในเมื่อคืนโชคดีนักที่นักมนุษยวิทยาสาว ยังมีทรัพย์ไหนเหลืออยู่พักกันอีกครั้งที่ทานน้ำตกเมื่อเวลาบ่ายสามโมงชายันเลี่ยงข้ามากระซิบกับพรานใหญ่สูงสารเมหรอเกินหล่อนสะบักสะบอมกว่าทุกคนก็น่าเห็นใจหรอวครับแต่เราก็พยายามไปกันอย่างช้าที่สุดแล้วผมคิดว่าคงไม่เป็นไร ห, หรอกครับหล่อนมีความอดทนมากครับชยันถอนใจยาวครงหัว แล้วเอียงหน้าเข้ามากระซิบอ้อมแอมไม่เป็นปากนะักก่อนที่เราจะเดินทางมานี่ระมัวแต่หวงที่จะช่วยชีวิตหลอนอย่างเดียวจะลืมอะไรสักอย่างนึงมันจำเป็นไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันผมเองก็เพิ่งมานึกออกเดี๋ยวนี้เองอะไรเหรอครับเสื้อผ้าของเมสักชุดหนึ่งน่ะสิมันคงไม่หนักอะไรนักหรอกหากเราจะเอาเต็ดมาด้วยทั้งๆที่เราก็รู้อยู่แล้วนี่ ว่าสางเขียวคว้าตัวหล่อนมาโดยไม่มีอะไรติดกายสักอย่างแม้จะอยู่ในอารมณ์เครียดเลชยันเองก็พูดออกมาจากแก่นแท้จริงใจระพินก็อดไม่ได้ที่จะต้องยิ้มออกมาในความคิดอันรอบคอบของอดีตนตายทหารปืนใหญ่เขาเองยอมรับว่าไม่เคยนึกถึงปัญหาในข้อนี้และแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีจนกระทั่งชัยันพูดขึ้น ยอมพรานชูนิ้วขึ้นดีดเรียกบุญคำเข้ามาในทันทีแลวเดินอ้อมหลบไปให้รับตาพักพวกทางด้านหลังต้นไม้ใหญ่นายเรียกบุญคำทำไมเลยตาพรานเท่าหน้าตื่นหดยังเกงออกสิเขาออกคำสั่งสั้นๆวางหน้าขึ้นบุญคำลืมตาโพรงอ้าปากค้าง